คุณคิงมาพร้อมกับทริปลอ้นนะฮะจะมาปิดท้ายกับเราในค่าคืนวันนี้ครับไม่แน่ใจว่าคุณคิงหลับแล้วหรือยังยังไม่หลับแซวเล่นตอนนี้คุณคิงอยู่ในสายกับผมเป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องสุดท้ายในค่ําคืนวันนี้ครับสวัสดีครับคุณคิงสวัสดีครับพี่แจนคุณคิงผมอขอโทษจริงๆวันนี้ดึกจริงๆ <c oughs> ดึกจริงได้ข่าวว่าหลับไปแล้วด้วย เอ่อผมเกือบเกือบเกือบเกือบหลาบไปใช่ไหมโอ้ขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษนะครับเพราะคุณคิงต้องอยู่ท้ายอ่ะคุณคิงจะมาอยู่ก่อนอยู่กลางไม่ได้ไงคุณคิงต้องอยู่ท้ายอ่ะเหมือนกับจครับคนรอคุณคิงก็แบบโอ้โหเยอะมากคุณคิงคุณคิงคุณคิงทั้งหน้าเฟซเลยตอนนี้คุณคิงนั้นเลยขอบคุณมากครับขอบคุณกดเลยเป็นอีกคนนึงครับที่มีเรื่อง เล่าประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญเนี่ยมาแชร์ให้ฟังแต่ละครั้งที่เอาเรื่องมาเล่าโอ้โหตื่นเต้นน่ากลัวนะฮะตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นนัมเบอรวันเลยฮนะนัมเบอรวันในการเล่าเรื่องผีเลยโอ้โห oh นะฮะมาคุณคิงครับมาว่างเรื <c oughs> ่องนี้เรื่องของทริปหลอนครับผมเรื่องรายังไงครับเรื่องนี้ผมเรื่องอะไรครับพี่ได้เลยก็ <c oughs> เรื่องนี้ไม่เป็นเรื่องของน้องเลยนะครับน้องเลยเนี่ยเขาเป็นน้องคนหนึงที่อยู่ในเฟซบุ๊กแล้วก็ได้เคยเล่าเรื่องนี้กับผมฟังไว้เรื่องนี้เกิดขึ้นก็พอสมควรและความนานในหลายปีอยู่แล้วก็น้องเขาเนี่ยจะทํางานอาชีพประจําน้องเขาเนี่ยคือเป็ น, เ ป, นเป็นพยาบาลแต่ว่าเขาก็จะมีการไปทาทัวร์ด้วยอืเป็นบางครั้งแต่ก็ทามาหลายปีแล้วนะครับ ทันนี้ว่าครั้งเนี้ยเขาก็จะเป็นทริปที่ไปอุดอรหนองคายอืส่วนจะไปพักโรงแรมไหนเนี้ยผมขอไม่พูดเพราะว่าโรงแรมเพื่อไเนี้ยไม่พูดเพราะมันมีน้อยมากถ้าพูดไปเนี้ยคือจะรู้เลยทันทีอย่งงางไงนั้นอย่าระบุอย่าระบุเด็ดขาดครับผมอืทันนี้ว่าในการที่น้องเข้าไปเนี้ยก็จะเป็นทริปที่มีโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งจัดไปเป็นโรงเรียนชื่ดังแล้วมีรถไปทั้งหมดสองบัตรอสองบัตรนะพี่แจ็คสองบัตรเนี้ยก็จะมีประมาณอ่า บัตรหนึ่งก็ห้าสิบท่านก็ประมาณหนึ่งหนึ่งหนึ่งร้อยคนพอแต่โรงแรมไว้ทั้งหมดห้าสิบห้องอก็จัดว่าเป็นที่ทใหญ่พอสมควรอันนี้ในการที่เขาไปถึงเนี่ยปกติแล้วของคนที่เป็นคนเป็นไกด์เนี่ยนะครเขายึดต้องไปดูแลเรื่องห้องพักเรื่องอะไรต่ออะไรอย่างนี้ให้ไปถึงปั๊บก็สิ่งแรกเลยที่น้องเขาบอกว่าพัเห็นไปรแรกคือโรงแรมที่ใหญ่มากแต่พอไปเห็นพนัก ง, งานเนี่ยเขาบอก มันไม่ได้เชื่อว่าจะเป็นไปได้เพราะว่าพนักงานโรงแรมก็คือมีเบลบอย์สองคนแล้วก็มีคนที่ฟอนเน่แค่สองคนแล้วก็มีแม่บ้านแหละแค่สองคนมียามคนเดียวเคนสพแล้วแล้วสอคนนี้นะครับพี่จ๊ดไม่ใช่ว่าทำงานพร้อมกันแลครับคือเช้าคนหนึ่งและกลางคืนคนหนึ่ง มันน้องย<ร>ไปมันน้อยไปป่ะใช่ใชนะ่ตัวเรามันใหญ่มากเพรามีคนแค่นฮะน้งองเขาบอกขั้นแรกเลยที่พอเห็นอย่างนี้พวกเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วแต่เขาก็จัดมาแล้วอ่ะแล้วเขาก็เป็นเป็นเหมือนไกด์เขาก็ไม่พูดอะไรเลยเขาบกหัวหน้าทัวว่าจัดการย่นี้มาเขาก็เลยโอเคยังไงก็ได้ก็มาถึงก็มีการคุยกันว่าเดี๋ยวอย่างงี้นะแล้วพวกเขาเจะมีตารางการแต่งห้องไว้ว่าเดี๋ยวอาจารย์คนไหนจับคู่กับคนไหนแล้วก็ไปนอนพวกเขาเนี่ย ก็จะต้องเดินตามเร็วบอยเนี่ยเข้าไปนะฮะในการที่จะไปดูห้องว่าอาจารย์คนไหนนอนห้องไหนและเอากระเป๋าของอาท่านเนี่ยไปไว้ในห้องกันนั้นครับครั้นี้ในระหว่างที่เดินไปเนี่ยก็จะมีอาจารย์ที่เป็นผู้ดูแลเนี่ยไปด้วยออืตามท่านส่วนทางฝั่งน้องเลยเนี่ยก็สามท่านเดินไปด้วยกันก็คุยอ่ะเขาก็พูดคุยเล่นกันสนุกกันเหมือนค่อนข้างจะรู้จักกันด้วยครั้นี้ เดินไปถึงเขาก็สงสัยว่าทําไมกลิ่นมันเหม็นอับก็เลยถามว่าน้องๆทําไมทางเดินมันเหม็นอับจังเลยอาจารย์ท่านนึงก็ถามเด็กคนนี้ก็หันมายิ้มๆนะไม่มีอะไรครับมันก็เป็นปกติฮะกลิ่นเป็นอย่างนี้อืมในระหว่างที่เดินไปเนี่ยคนอื่นเขาแย่เลยแหละน้องคนนี้จะไม่พูดอะไรมากเลยนะจะหันมายิ้มอย่างเดียวยิ้มอย่างเดียวแล้วทางฝั่งเพื่อนของคุณเลยก็ถามว่าเออ ไ, ได้น้องถามอะไรอย่างนะอืพนักงานทุกคนมันมีอยู่แค่นี้แหรอตอนเนี้ย เขาก็เลยบอกมาว่าคือมีเด็กสองมีคนรุ่นสองอันนี้สามอะไรเงี้ยที่อย่างที่ผมบอกไปคือเช้าคนหนึง่งและกลางคืนคนหนึง่ง<ห>เขาก็เลยบอกเฮ้ยมันเป็นไปได้เหรอแล้วทำไมถึงไม่เป็นอย่างนั้นนะอ๋อมันก็มีมาสมัครหลายคนนะพี่แต่อยู่ไม่ได้อ้าอ<ห>้าใช้คําเนี้ยแต่อยู่ไม่ได้เขาเฮ้ยมันมีอะไรบ้าที่อยู่ไม่ได้อ่ะน้องเขาก็น่าเดินเซียนแนละ้วมองมองเขาก็เลยพาเด็นเข้าไปไม่พูดอะไรพอเปิดประตูห้องที่เป็นของอาจารย์แบบ บ่าเขาไปปั๊บเขาบอกเห็นบรรยากาศขนาดกัางวันนะพี่แจไอบิวอินข้างในเนี่ยเป็นไม้เลยนะคือข้างนอกเลยเป็นปูนแล้วเข้าไปข้างในเนี่ยเป็นไม้ตกแต่งอย่างสวยหมดมแต่ความสวยของมันหมดไปเพราะว่าไอสีแฉลากที่เขาเคลือบไม้เนี่ยครับมไมเขาตั้งใจทใําเป็นปะเป็นสีปาเก้หรือ ย, อยังไงผมไม่เข้าใจแต่น้องน้องเลยเขาบอกว่ามันดูแล้วมันแดงเขือไปทั้งห้องเลยพี่<ม>ดูแล้วมันแบบมันไม่เข้าอยู่เอาเลยอ่ะมันเหมือนจะบห้อง คืเห็นแล้วรู้ว่านี่มันห้องผีสิงแ น, น, น่ะอนแต่ว่าเขาก็โอเคไม่เป็นไรไหนๆก็มาแล้วก็พยายามจัดจัดจัดคนนี้นะคนนี้นะัก น, นี้นะแล้วเขาก็ลงมาพอลงมาถึงพวกก็ปล่อยให้อาจารย์แต่ละท่านเนี่ยขึ้นไปอยู่ตามห้องขอ ง, ของเองแล้วก็จะแจกเบอรว่าท่านนี้คู่กับท่านนี้แล้วก็นอนห้องนี้นะอะไรเงรี้ยแจกให้ไปหายไปสักพักหนึ่งนัดจันเวลาประมาณอ่าสี่ห้าโมเพราะว่าจะต้องรีบไปดูอ่าบั้งไฟเพราะว่าจะเป็นคลิที่ไปดูบั้งไฟพญานาค แล้วก็มีการคุยกันคุยรายเสร็จปุ๊บนีลยสิ่งหนึ่งที่น้องเอ่อที่อาจารย์ถามกับน้องเลยว่าเออน้องอเลยอาจารย์ถามอะไรอย่าง น, นคะครับห้องเนี่ยทำไมมีผมเป็นห้องน้ําเลยตามรูระบายน้อะไรเงี้ยแม่บ้านเขาไม่ทําความสะอาดบ้างเหรออีกคนนึงก็เลยแบบอาจารย์หลายๆท่านก็ได้ยินกับเออห้องที่ก็มีมีเหมือนกันเลยเรองผงเนมีมีหลายท่านเลยสรุปเขาแบบยังไงเนี่ย ก็เลยดินไปถามเด็กที่อยู่นั้นบอกน้องแม่บ้านที่นี่ก็ไม่ทําความสะอาดเลยอนะเด็กคนนั้นก็มองหน้าเรื่องแกแล้วบอกอ๋อเดี๋ยวผมบอกให้ทําพูดแบบเหมือนกับเป็นเรื่องปกติอ่ะเดี๋ยวผมบอกให้นะครับแล้วก็คงไปทําความสะอาดให้ออือันนี้พวกเขาก็ออกไปไปทำอะไรกันพี่แจ็คลองฟังระยะเวลาการขับรถนะรวมคนนะมันจะเจอ การขับรถเนี่ยตอนที่ขับไปเนี่ยนัดเดียวนัดเดียวเลยจริงนัดเดีย ว, วเข้าไปถึงแล้วก็ไปรอกันพอจบประมาณหกโมกว่าทุ่มนึงเนี้ยอะไรก็เสร็จแล้วแต่าอาจจะไม่เสร็จหมดหรอกแต่เขาจะต้องเรียกลูกทัวร์แหกลับแหละเพราะว่ากลัวว่าจะเขาเป็นเป็ น, ปนทิศใหญ่เป็นขบวนใหญ่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าออกทีหลังเขาเนี่ยออกย่ารถติดมากด้วยเลยนั้นเวลาเรากลับประมาณนี้ทั้นี้จากเวลาหกโมกว่าทุ่มนึงเนี่ยกลับถึงโรงแรมเนี่ยไปอีหนึ่งสิบห้านาทีซึ่งตอนมาเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงเอง คนขับก็ท่าเป็นอะไรวันนี้ทําไมวนอะไรแล้วออกไม่ได้แล้วทีหาทีขาที่กลับวันนี่วนอยู่นั่นแหละเขาก็งงแล้ววนหิตตัวเองดื่มก็ไม่ได้ดื่มขับไปก็บ่นไปลูกทัวร์ก็เริ่มมองหน้ากันแล้วก็ตัวไกด์เองก็เริ่มแบบเอ๊ะทำไมมันนานผิดปกติหรือเาเนี่ยหกโงไปถึงตีหนึ่งสิบห้านาทีเนี่ยมันไม่ธรรมดาแล้วนะไกด์าเออคนขับพาอ้อมไปเลยคนขับบอ่้อมเลยผมพยายามหาทางที่จะกลับมันก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเมันเป็นอย่างเนี้ยอ่าโอเคพอไปถึงปั๊บก็ ทุกคนกลับเข้าด้วยความพักผ่อนความเหนื่อยเขาอยากจะพักผ่อนเป็นที่ออืขึ้นไปในห้องของตัวเองส่วนพวกที่เป็นไกด์เนะี่ยก็เริ่มแยกย้ายตัวผู้หญิงเนี่ยมีทั้งหมดสี่คนเนี่ยจะนอนอยู่ห้องชั้นหกส่วนผู้ชายเนี่ยจะอยู่ชั้นห้าแต่ห้องที่น้องเลยได้จับคู่กับเพื่อนเนี่ยคือห้องเดียวคอนแทคไว้ให้สําหรับคนเป็นไกด์คือ<ถ>จะได้ห้องฟรีเปอร์เซ<ถ>็นอะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นไปด้านบนพอขึ้นไปด้านบน น, นะ พี่จ็คฟังบรรยากาศน ะ, ะเขาบอกว่าไกด์เนี่ยจะไม่เคยเห็นห้องเตียงมาก่อนนะไกด์ ใ, ใ จ, จเห็นห้องเตียงก็สำรวจลูกทัวร์เข้าห้องหมดแล้วถึงได้เข้าไปรู้ว่าตนเองนะ่ะพักห้องไหนเป็นอย่างนี้มาตลอดครับเปิดประตูขึ้นไปเข้าไปในชั้นชั้นห้องห้องที่เตียงได้พักอะ่ะเปิดประตูเข้าไปห้องก็เป็นสีเขียวเขาบอกเขียวอีอะไรนะเฮ้ยนี่จริงไหมคะสีห้องเป็นอย่างนั้นห้องพักแม่นะสีเขียวเลยนะฮะ ใช่ครับก็ผมสีเขียวอีกเลยมันออกช้าๆด้วยดูแล้วบรรยากาศไม่น่าอยู่เลยครับแต่ในความที่เราเป็นห้องที่เขาคอนแทคมาให้ก็เลยเออเราคงเปห้องฟรีอนะก็อยู่ไปเรื่อยแล้วเขาเนี่ยจะต้องเป็นคนชาร์จวอร์นึกขึ้นได้บอกเพื่อนบอกอืมเราลืมอะไรอย่างลงมือพึ่งอะไรไปทําอะไรเราลืมที่ชาร์จวอร์เพื่อนแล้ก็ไม่ได้ว่าอะไรมันปกติก็แค่ลืมแล้วลงไปชั้นเดียวเองจะหกโมอ่ะเนี่ย ก็พอออกจากประตูเข้ามาบรรยากาศมันไม่เหมือนตอนขึ้นมาพี่แจอคเขาบอกเปิดประตูออกมาเนี่ยมันกลายเป็นไฟแบบไฟถิดโตู้มาแล้วมันสามดวงหนึ่งติดดวงหนึ่งสามดวงติดดวงหนึ่งอ่ะมันก็มืดมากอันนี้ว่าอ่ผมขอหน่อยหนึ่งตอนที่น้องไขประตูเขาไขไม่เข้านะแต่เขาทำตามอย่างผู้วิธีที่ว่าเราเคยฟังตามราการผีคือเคาะก่อนเคาะก่อนแล้วเข้าไม่ได้แล้วเข้าไม่ได้ไขไม่ได้เพราะยังไงไขไม่ได้ พีคนข้างห้องออกมาบอกน้องยกมือไหว้เลยพ อ, อยกมือไหว้ไข่แจ๊กได้เลยนะเ๋ออันนี้คือตอนเข้าห้องนะแล้วพอกลับออกมาปุ๊บจะมาเอาไอ้ตัวชารชาร์จวอลเลยปรากฏว่าไฟมันเป็นอย่างเงี้ยเขาก็เฮ้ยบรรยากาศไม่ค่อยน่าไม่ค่อยน่าเดินอ้ น, นีไปเถอะพอเดินลองอมาปุ๊บสวนจะหนึ่งครอบครัวเป็นพ่อแม่ลูกเดินมาแล้วก็ยิ้มให้กันอโอเคแล้วยิ้มให้กันไปยักหน้าเป็นปกติระหว่างทางเดินลงไปเนี่ยมองทางซ้ายมือจะเป็นห้องที่เหมือนเก็บผ้าปูที่นอ น, นอะไรของแม่บ้านอย่างเงี้ย เปิดไฟเอาไว้เขาก็มองกันเนาะจัดส่องสายตาไว้ามีอะไรมั่งเท่าไหน่นะเป็นผ้าเป็นขวดน้ําเป็นรังแก้วอืมแล้วก็เดินลงไปครับ<ถ>ไปถึงก็ไปเอาที่ชาร์แล้วก็บอกพี่คนนั้นบอกพี่ขึ้นมาสรงเลยห้องมันน่ากลัวมากเลยทั้งหมดที่ผชายคนนั้นก็ไม่รู้ว่าเขาแกล้งหรือว่าเขากลัวจริงเขาก็ไม่ขึ้นมาส่งนะเขาบอกเขาไปเองไเองไปเองเลยเด็กแล้วอ่ะโอเคก็ไม่มีไรใช้ชั้นเดียวไปเดินกลับขึ้นมาแต่พอตอนกลับขึ้นมาเนี่ยพี่แจ๊ เขาเดินลงไปเขาไม่เห็นใครออกไ ม, ไม่ไม่เห็นใครส่วนขึ้นมานะแล้วเขาก็เดิอนอยู่อีหนึ่งนะถ้าใครขึ้นไปเขาต้องเห็นไงน <c oughs> เขาไม่ห่างกับบันไดามากแต่ไม่มีใครส่วนขึ้นไปพอเขาเดินขึ้นมาไฟห้องแม่บ้านปิดอืมเขาเลยเฮ้ยมันจะมีคนขึ้นมาปิดได้ไงเนยเมื่อไม่เห็นใครสักคนหนึ่งเขาก็เลย ร, ร, รีบเข้าไปในห้องพอเข้าไปถึงปับ๊บลอดอาอาบน้ำอำาบน้ำอะไรเสร็จเนี่ยทั้งนี้ว่าน้องเนยเนี่ยเนะขาเป็นคนที่ใส่คอนแทคเลนส์เขาก็เลยถอดคอนแทคเลนส์ออก อืมขออภัยนะครับพอต อ, อ, อ, อนคอนเสิรออกปุ๊บเนี่ยตาเขาก็จะมัวๆไงมันเหมือนกับมันก็ไม่ถึงจะไม่ชัดแต่เลยความมืดด้วยเนี่ยแล้วคนที่ใส่ตาสันด้วยมันก็ดูอะไรไม่ชัดเนี่ยครับนอนสองคนก็เป็นเสียงแบบเตียงใหญ่เลยขันหลังให้กันสองคนต่างนอนแล้วง่วงเต็มที่เลยพอนอนเสร็จปุ๊บจกนงกันเลยว่าคืนนี้เราเปิดไฟห้องน้ำไว้นะเพราะว่าดูแล้วบรรยากาศมันไม่น่าเลยห้องมันสีเขียวยังไงก็ไม่รู้เขาก็โอเค น้องเลยเนี่ยจะนอนลิมติดกับกำแพงห้องน้ำคื อ, อติดปุ๊บก็มีทางเดินหน่อยหนึหน่งเว้นระหว่างตัวกำแพงกับเตียงเพื่องมีทางเดินพอลงไปถึงภุมบแล้วก็เข้าห้องน้ำได้เลยพอนอนหันหน้าเขาหากำแพงห้องน้ําเสร็จแล้วดึกแค่ไหนไม่รู้อ่ะเพื่อนเขาสะกิดสะกิดเขานะแต่เขาเองก็ไม่ได้สนใจเขาก็เหมือนเอาตอกอ่ะของสะกิดกับสภาพเพื่อนก็ดิ้นนีเขาก็เอาตอกเนี่ยสะกิดกับ แล้วในระหว่างที่เป็นเงี้ยมันก็ไปเห็นไงเพราะเกิดการตืนน่นก็มองเอาสายตาเนีมองไปเร<ม>ื่อยเรึ่งตาเข้ามาก็จะเห็นไปที่ปลายเท้าซึ่งเป็นมุมเหลี่ยมที่จะเดินลับเข้าไปในห้องน้ำ <c oughs> ที่แจ็คดึงภาพออกเซมครับ <c oughs> เขาบอกว่าเห็นเป็นหน้าคนอ่ะโผล่มาแต่แต่ว่าเขาเบอร์ไงภาพเบอร์เพราะว่าคนเพิ่งืนด้วยและสายตาสันด้วยและในความสลัวสลัวความมืดเลยเห็นเป็นหน้าคนอ่ะโผล่มาตรงมุมห้องน้า <c oughs> เขาก็หลับต่อคิดว่าเพื่อนเขาคงชะโนกหน้ามาดูว่าเออเนยหลับหรือยังเนยตื่นหรือยังเนาะ เขาก็ได้หลับสักพักหนึ่งนานแค่ไหนไม่รู้เพื่อนเขาจะกิดอีกเขาก็รู้สึกตัวแล้วแล้วค่อยค่อยลืมตาระหว่างที่ค่อยลืมตาเนี่ยเขาเปิดทีวีทิ้งไว้ไอ้แสงทีวีเนี่ยมันจะต้องสานมาแล้วเป็นสว่างหมดแต่ปรากฏว่ามันเป็นเงาของคนน่ะผลานมาทางฝั่งเขาอืเขาก็เลยว่าสงสัยเพื่อนคงไปเปิดติดทีวีคงยังนอนไม่หลับอเขาหลับต่อพอเขาไม่ไม่จะแกล้งมาดูอะไรแล้วเขาง่วงแล้วเขาตะแคงหันหลังให้กัน นานแค่ไหนอีไม่รู้รู้สึกมันเหมือนกับคือคนเรามันมีไอรู้สึกนะพี่แจ็สมันใครมาเข้าใกล้อย่างเงี้ยก็เลยแบบลืมตาขึ้นมาความที่น้องเขาเป็นคนต า, าเบอลอลืมตาขึ้นมาก็มือรูปหน้าทีหนึ่งพอเปิดมือปุ๊บผู้หญิงคนนึ่งล่ากลมกลมผมบอ๊บอกบแล้วก็ตาลึกๆนั่งยองๆ อ, อยู่ข้างๆเตียงหน้าตรงหน้าเขาอ่ะแล้วเขาบอกว่าในความที่มันจะเบลอแค่ไหนก็ช่างแต่ถ้ามันใกล้ขนาดนั้ น, นมันไม่เบลอแน่นอนไม่ใช่เพื่อนเขา แล้วเขาก็เริ่มรู้สึกตัวตอว น, นว่าเขาเริ่มขยับไม่ได้ครับเขาก็พยายามที่จะนิ่งๆนะแล้วก็พยายามสวดมนต์แล้วก็คิดถึงแม่แม่ครั้งแรกก็ไม่หลุดก็ฟัอสองสวดมนต์นะอะไรอย่างเงี้ยแต่หลายอย่างที่น้องเขาบอกเาสวดเป็นแนละ้วเ้าก็สวดสวดสวดบทหนึ่งผู้หญิงคนนั้นก็เริ่มยิ้มมากขึ้นทีหนึ่งสวดบทหนึ่งก็ยิ้มมากขึ้นทีหนึ่งสวดเปลี่ยนไปอีกบทหนึ่งก็ยิ้มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆปากเริ่มแบบแสยะมุมละด้านข้างเนี่ยเริ่มล่ากลัวละ ก็เลยวีดออกมาเป็นชื่อแม่ระแคะทีเดียวแล้วหลุดเลยแล้วลุกขึ้นมาเปิดไฟดูอ้ทุกอย่างในห้องเงียบหมดเพื่อนยังคงนอนหลับอยู่แต่เขามาลั่งเล็กและสังเกตว่าไอ้ทำไมเพื่อนเรามันถึงได้กินยาแก้แพ้เยอะผิด ป, ปกติวันเนี้ยืยาแก้แพ้เนี่ยมันออกฤทธิ์เรื่องกันง่วงอยู่แล้วนะพี่เขาก็สังเกตว่าเรื่อนเขากินยาแก้แพ้เนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่ก่อนยี่นอ น, น, นกินเยอะผิด ป, ปกติออืแต่จะทิ้งเพื่อนออกไปก็ไม่ได้แล้วไอ้ออกไปข้างนอกห้องอ่ะก็ยังไม่รู้ว่าจะไปเจออะไรอีกออื ก็เลยนั่งอยู่อย่างนั้นแหะแต่มันแป๊ดเดียวแหละพักเดียวเพืนเขาก็เริ่มรู้สึกตัวก็ตืต่น ต, ต, ต, ต, ตื่นขึ้นมาเพื่อนเขาก็มองหน้าเลยเป็นอะไรเหนย์ก็บอกอย่างเงี้ยเจออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไงไกลไม่ดีเลยเนยะไม่อยากนอนต่อแล้วเดี๋ยวแค่อาบน้ำแต่งตัวแล้วลงไปข้างล่างเลยเราไปรอปลูกทัวร์กันเพื่อนเขาเลยไล่ฟังอะเมื่อคืนรู้สึกไหมที่เราสะกิดเหนยบอกรู้สึกอ่ที่เอาสอกดังไปดังกันมาอ่ะอืมอืมใช่ครับเขาบอกรู้สึกอืมือเรารู้สึกว่ามีคน่ะ ดึงผ้าห่มเราอืดึงอยู่นั่นแหละเดี๋ยวดึงพอเราดึงขึ้นมากขาดึงกลับดึงมากขาดึงกับก็เลยเอามือสะกิดสะกิดนึกว่าเป็นเนยคือแบบอย่าให้รู้ตัวอย่าดึงผ้าสิแล้วก็จะมีออเขาเลยก้มหน้าลงไปมองคือคนเราอถ้านอนอยู่งี้ถ้าก้มไปถึงจะเห็นเป็นมือเพื่อนเขามาดึงผ้าอยู่ก็เหมือนก็จะจับมือจับปร่กนแล้วก็ก้มไปปุ๊บมีคนคนหนึ่ง รีบขานขึ้นเตียงอะส่วนขึ้นมาจากขาเขารื้อขึ้นมาคล้องเขาเขาเลยหลับตาเล่าผ้าคลุมแล้วก็อยู่นั่นละท่าอย่างนั้นนะพี่แจ๊แล้วน um> ิดยานานแค่ไหนมันรู้นิดยามันก่องประสาทจนหลับไปเลยเขาบอกควันคายออกเร็วมากรือขึ้นมาละสติเขาไวกว่าเขาทิยงผ้าปิดปุ๊กก็นอนเลยแล้วคิดในใจว่าเอาละเอาละกูโดนละไม่ใช่เพื่อนัวอะไรเงี้ยแล้วก็หลับนานเกิงเดือนแค่ไหนจนหลับแล้วเขาบอกยาช่วยได้ด้วยครับเลยก็เลยแบบถึงว่ากินยาเยอะจังเลยแล้วก็ไม่บอกไม่เตือนกันบ้าง ครั้นี้เขาก็ลงไปข้างล่างคือรีบลงแล้นะพือจะจนะตีสี่สี่ห้าเน่ยเขาก็เขารีบลงแล้วเขาไม่อยากที่จะอยู่แล้วบนห้องเอาลงไปถึงปรากฏเจออาจารย์นั่งอยู่ในชุดนอนเกือบสิบท่านนั่งอยู่ที่ล็อบบี้โรงแรมคือไม่ได้อยู่ในห้องตัวเองแต่มาอยู่ในล็อบบี้ใส่ชุดนอนใช่ครับ <c oughs> ใส่ใชุดนอนเลยเเเแล้วก็นั่งอยู่สิบกว่าท่านแล้วก็นั่งแอบว่านั่งงุ่นหินอ่ะเขาก็พยายามที่จะเมียอะไรกันเอ้าอาจารย์ลงมาแต่เมื่อไหร่คะทํำไมไม่โทรเรียกหน่อย ตื่นกันเช้าจังเลยน้อเลยดี๋ยวว่าตื่นเลยอผู้พี่ยังไม่ได้นอนกันเลยค่ะครับเขาก็เอ้าทําไมล่ะคะเมื่อพี่ก็นั่งคุยกันมาทั้งนานแล้วเนี่ยทุกคนเจอเหมือนคล้ายๆกันหมดเลยออืเขาก็ถามอาจารย์คนแรกที่ว่าดูจะ ง, งุ่นหินนะ่ะเลยว่าเอาจารย์เจออะไรครับเขาก็บอกว่ากำลังนอนนอนอยู่และเตียงอะมันเป็นเตียงแบบว่าเตียงเดี่ยวคู่อ่ ะ, อะเตียงทวิน อ, ะอ่ะเขาเพาก็นอนทันทีนอนตะแคงเสร็จปุ๊บ พอเมื่อยไงเมื่อยก็พลิกตัวกับไมครัง้งมันก็จะต้องเห็นเตียงเพื่อนเขาส่มาที่ใช่แต่ปรากฏว่าไอเตียงข้างล่างนะ่ะมันเป็นเตียงที่ทึบมอนทึบมันไม่ได้ใส่ไม่ได้โป่งอะไรเขาก็เห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอนอนตะแคงโดยเอาหลังอนะพิงขอบเตียงของเพื่อนของเขาแต่นอนกับพื้นน่ะใช่ออออนอนตัวตรงเลยนะแล้วก็มองเขาหน้าตาปาแข็งเลยหน่าคงโป่ง ทำตัวสกปรกก ป, ป, ป, ปกมันไม่ได้อาบน้ํามานานนะและ้วตัวนี่เหยียดปองเลยนะแล้วพิงหลังกิงกับขอบเตียงไวอ้อ่ะโดยที่เวเ้นเขาก็หลับอยู่บนเตียงโดยไม่รู้เรื่องว่าข้างล่างเตียงมีคนนอนอยู่โอ้โอ้โอ้ <c oughs> นเลยก็เลยถามว่าขอไปครับครับล้วเลยก็เลยถามว่าแล้วอาจารย์ทำยังไงคะอือพี่ก็ทําเป็นเหมือนไม่เห็นเขาแล้วก็พยายามควบคุมมาลงมาให้พี่เดินลงมาเลยพี่นีึก็พี่จะเป็นคนเดียวที่เจอโอ้น้อยก็เลยบูกว่าหนูก็นลกว่าหนูจะเป็นคนเดียวเป็นสองคนที่เจออโอ แต่ว่าพี่ลงมาเจอเพื่อนๆในการนั่งอยู่แล้วเนี่ยค่ะอีกคนนึงก็บอกว่าเนี่ยกำลังนอนนอนอยู่เนี่ยเดี๋ยวทีวีเปิดอโดยที่เขาไม่ได้เปิดแต่เขเอาเปิดแล้วก็ไม่เป็นไรสัพักปิดเฮ้ยนี่มันไม่ใช่ระบบโรงแรมแล้วมั้งแล้วก็เปิดปิดเปิดปิดคือแกล้งเขาอะจนเขาแบเฮ้ยเขาต้องเดินลงมาตัดตนนั้นเลยอีกคนนึงก็ไฟปิดเองเปิดเองปิดเองเปิดเองปิดเองเปิดเองและที่หลักที่สุดก็คือมีอาจารย์บุงบอก มีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ไปเตียงแล้วค่อยๆ ย, ยืดคือ ย, ยืดแล้วพี่แจ็คไม่ได้ลอยยืดจนตัวจะสูงขึ้นติดขอบไปด้างบนแล้วค่อยๆดึงเชือกมาแขวนคอตัวเองเพราะางานกขเป็นงานไม้หมดไงบิว อ, อิอนหมดเนี่ยขณะนั้นอ่ะมันจะมีเป็นคาด้วยเป็นคือเป็นคาจ ห, หล่ะให้เหมือนก็อยู่ในห้องส่งไทยเป็นบ้านส่งไทยอะไรเงี้ยอเขาก็เลยเดินลงมา ก, กันพอเดินลงมา ก, กันแล้วโอเคไม่เป็นไรแต่ว่ามันมีจุดพลิกอยู่สําหรับพี่คนหนึ่ง คือในพี่ทัวร์คนหนึ่งเนี่ยจะมีอยู่อในพี่ทัวร์นัก็จะมีอยู่คนหนึ่งที่เขาแบบว่าปาก ด, ดีอ่ะตั้งแต่ที่เข้ามาในโรงแรมเนี่ยคนอื่นเขาจะพูดเรื่องของโรงแรมนี้ยังไงมีผีมาเขาประกาศออกมาดังๆเลยว่าผมเป็นคนไม่มีศาสนาอผมไม่นคนเชื่อถือตัวเองผมไม่กลัวอะไรทั้งนั้นแต่ปรากฏว่าวันนั้นนะเขาต้องเปลี่ยนคําพูดใหม่ในคืนเดียวเลยครับพอเขาลงมาเขาบอกต่อไปนี้ผมถามบ้านแล้วเขาผมจะเป็นคนมีศาสนาแล้ะจะไม่พูดจายอย่างนี้อีกแล้วอืม เขาบอกว่าเขากำลังจะนอนอยู่แล้วไปแจ้งอาบน้ําเสร็จออกมาถึงปุ๊บขึ้นเตียงกำลังจะนอนมันก็มืดหมดวัลงห้องเขาไม่ได้กลัวอะไรอยู่แล้วไงบนประเภทนี้คแล้วเขาก็สายตาเขามองไปที่มุมห้องมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนซุ่มอยู่พอเขาเริ่มขยี้ตามองดูแล้วชัดผู้หญิงคนนั้นวิ่งกแบบแล้ววิ่งมากระโดดห้องเขาไว้แล้วกดเหมอนแล้วคือไม่พูดอะไรแล้วไลตายแบบเขาเหมือนถึงแล้วกดเหมือนไม่พูดอะไรเขาก็แบบพยายามดิ้นดิ้นดิ จนหลุดแตี่แจ๊คเาบอกนานมากอะ่อหาหาะหน้าตาก็น่ากลัวแล้วนั่งจ้องอยู่บนตัวเขาจนหลุดเขาบอกเฮ้ยพอเฮียเสร็จปุเขาก็เดินลงมาเลยเดินลงมาข้างล่างหลุดเสร็จเขาก็ไม่กล้าจากนั้นเขาไม่กล้าต่อไปเลยแต่สิ่งที่มันแตกกว่านั้นก็คือพี่แจ๊คนเราอะ่ะคนคนสองคนคุยกันเนี่ยคนเลยเราปิ้โรงแรมต้องได้ยินต้องมาถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นไหมยังไงคะถูกต้องแต่ไม่มีพนักงานแม้แต่เบลล์บอยก็ไม่มีใครมาเลยจนหกโมงกว่าอืม เข้ากับโรงแรมไม่มีใครอยู่เลยพี่แดงเขาก็เลยว่าเอา้าทำไมทิ้งคนในโรงแรมอย่างนี้แล้วถ้าเกิดคนอื่นมาเขาต้องการอะไรทํายังไงอ่ะก็ ม, มีการตอบว่าแล้วก็ถามวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นเด็กเขาบอกผมไม่รู้ผมเพิ่งมาทํางานน้องเขาบอกไม่รู้แล้วจะหายไปไหนกันมามต้องรู้ดิเนี่ยแต่เขาก็เกียดจะคาดคันมากเดี๋ยวมันจะมีปัญหากันเนี่ยขอไม่คาดคันมากก็ไม่เป็นไร จัดทุกสิ่งทุกอย่างเตรียมตัวจะออกแล้วก็กลับต้องเป็นทริปแค่วันเดียวไงพี่มาแค่มาดูบ้างไฟเฉยออกมาดิงก็เจอปรปภแก่ๆดูห่้าทางคงจะตรงคุณาวุธอยู่แหละอายุน่าจะแบบอยู่กับคู่กับโรงแรมเลยมั้งก็เลยตัดสินใจดิงเข้าไปถามเลยบอกลุงที่นี่มันมีอะไรปะเนี่ยเด็กเขาบอกไม่มีอะไรนะทําไมอะ่ะเหมือนเดิมตามฟอร์มทุกที่เป็นเหมือนกันคือสรงตังค์แล้วอาจารย์ก็อยากให้ด้วยอาจารย์บอกอยากรู้ขอแค่บอกมาหน่อยว่ามันมีอะไร ไม่ได้นอนเลยอาจารย์ต้องกลับทั้งชุดนอนพี่แจ๊คไม่กล้าขึ้นไปเปลี่ยนแล้วเป่าก็ต้องให้พวกไกดขึ้นไปเอาให้เขาไม่ขึ้นเลยห้องอ่ะแล้วรองภพอันนี้ก็เลยบอว่าพวกคุณมาตรงวันปกติที่นี่ใครมาเนี่ยก็อยู่ไม่ค่อยได้หรอกและที่นี่ไม่มีแขกมาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วเฮ้ยไม่มีแขกมาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วพี่แจ๊คข้อที่หนึ่งถามเลยผมมาจากไหนทุกห้องข้อที่สองครอบครัวที่เดินสวนกันน้องเลยอ่ะออื แล้วก็้ถามเมื่อคืนมีครอบครัวหนึ่งเดินสวนกันรู้เราบพอบอกไม่มีนะครับไม่มีอะไเข้ามาพักเนี่ยร้อยใครเข้าออกผมต้องเห็นแต่นี้ไม่มีออืแล้วครอบครัวนั้นเป็นใครแล้วไฟในห้องนั้นใครปิดเขาบอกว่ามาตรงวันเป็นวันพระใหญ่ด้วยทันนี้จากเหตุการณ์เร า, าเขาบอกว่าเขาประสบพัญมาเรื่อยๆพี่แจ็จนมาถึงช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาไปทําบุญกัน ก่อนหน้าเนี่ยเขาก็จะเห็นอะไรได้ยินเสียงคุยโทรศัพท์ ก, ก็ได้ยินเสียงเขาก็เลยไปทําบุญที่ ว, วัดวัดหนึ่งในกรุงเทพพอเข้าไปถึงกำลังนั่งเตรียมตัวที่จะนั่งสมาธิไปกับพี่ชายเขาด้วยนะพี่ไปกับพี่ชายจากเหตุการณ์ที่เขามาเล่าให้ผมฟังนะนะั่นแะแล้วเขาก็บอกเดี๋ยวจะไปทําบุญอะไรเงี้ยเพราะ่หนิงว่ารู้สึกตวงนี้อะไรไมึนเหมือนอะไรตามาก็พยายามจะดูว่าตัวเขาคิดเองไหมเขาพยายามจะดูไหปรากฏว่าเขาก็าไปนั่งในวัดวัดเนี้ยอืพี่ชายขเขาก็ไปด้วยจะไปทำสังฆทานเนี่ยเขาคือมาถามผมผมบอกทำสังฆทานเพ้่จะไปใจไงอืม แต่หลั ง, น, งนั่งอยู่พี่ชายเาหันมาเมยพูดอะไรปะเนี่ยคือเขานั่นสมาธิไงเขาหลับตาอยู่ตรงหน้าพระไม่บอกหนูไม่ได้พูดอะไรทําไมอะ่ะแต่พวกเขาทุกคนได้ยินมีเสียงปี๋พูดว่าไม่เอาไม่เอายังไงก็ไม่เอาออืเขาก็เฮ้ยแล้วใครพูดพระเอาบาสิงก็มาทักบาวโยมอย่างไงอย่างนี้นะครับว่าเฮ้ยมันจะใช่หรือเปล่าวะอ่ะพอช่วงปีใหม่พอดีเป๊ะๆอันนี้ที่ก่อนปีใหม่ พอช่วงปใหม่พอดีไปเขาไปทําบุญที่จังหวัดอยุธยากันอไปอาาาาหาพวกครอบครัวเขาในโบสถ์จะเป็นโบสถ์เก <rend. S 2> ่าอ่นะวิหารเก่าโบสถ์เก่าพระก็จะนั่งรับสังฆทานอยู่ข้างในนั้นในขณะที่พาะําลังนั่งรับสังฆทานเนี่ยท่านก็มองตรงมาทางน้องเลยท่านก็มองเลยข้างหลังแล้วบอกอ่ะที่มาแล้วอยู่ข้างหลัง น, นะก็รับบุญเขาด้วยนะที่เข้ามาไม่ได้อ่ ะ, ะน้องเลยก็งงคืออะไรอ <Lang. S 2> อืทําไมมันเกิดอาแต่แป้นอับเรามาตั้งแบบนานมากอ่ะใครๆก็เห็น แล้วไปที่ทาํางานก็เจอมีแต่คนเจอโอเคพอถากพอพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บน้องเขาก็เลยออกมากวาดวัดเนี่ยมาทําบุญมากวาดวัดทีทกวา่า<ะ>ไหนไหนก็มีอะไรไม่สบายใจนะยิยนกวาดวัดพระพระรูปนึงนะอันนี้เป็นพระหนุ่มนะมถ้าจะยังไม่ทันจะบวชได้พรรษา ม, มากก็ไม่น่าจะมีนิดอะไรอันนี้คือเราไม่ดูถูกนะแต่<ะ>พูดถึงว่าแต่ท่านเป็นพระหนุ่มอะท่านยังเห็นเลยท่านเจอมาถามอกโยมเพื่อนโยมที่ยินอยู่เขาเป็นอะไรเนี่ยนะเมื่อกี้เนี่ยเพื่อนคนไหนคะ ก็เพื่อนที่ยืนแล้วก็ยื่นปากเหมือนจะกระซิปอะไรข้างหูโยมตลอดเวลาครับที่แต่งตัวสกรปรปกสกปรปกะอะแล้วผมยาวๆเนยชิงไม่กวาดแล้ววิ่งเลยไยไม่ได้แล้วเออเออเอพออยู่น้ำไม่ได้เสร็จปุ๊บเขาก็ว่าเฮ้ยมันเป็นแค่เรื่องบังเอิญหรือเปล่าม <ขะ S 1> าที่ทำ ง, งานเขาซึ่งเป็นโรงาบาลที่ผมบอกพี่ถูกไหมครับเขาเข้าไปที่ทงานเนี่ย จะไปเจอพวกพี่ๆไงเขาก็บอกเออเนยมั้งโอ้วันนี้พาญาดมาด้วยเหรอพาญาดมาด้วยเหรออืคืออยู่คนเดียวมาคนเดียวแล้วมาทักอย่างนี้เขาก็ขาแหม่พี่ทําเป็นมาอําไงอืมแล้วเขาก็จะมีน้องคนหนึ่งที่เป็นลูกของคนที่งาน้วยกันจะชอบเล่นกับน้องเนยมากเลยแต่พอเห็นน้องเลยเวลาเขาร้องจ้าเลยร้องยังร้องยังไงก็ไม่เอาบอกกลัวกลัวกลัวอะไรแล้วก็บอกกลัวอะไรจุดมาทายแหม่ตรงที่ พี่ที่เขาเป็นหัวหน้าระดับผู้ใหญ่แล้ะเขาไม่พูดเล่นแน่นอนเลยเขาเพิ่งเดินมาถึงอ้าเนยเนยหันไปวันนี้ครับพี่วันดีครับพ า, บายาดมาด้วยเหรอเนยเนอยอกญาติเหรอคะญาติไหนคะพี่เขาก็ทําท่ามองแบบมองไปทางทางขวามือเขาอะ่ะคือสายของเนอยอะ่ะแล้วก็หันแล้มองอ๋ออืมจีเข้าใจละเดี๋ยวเนยขึ้นไปหาพี่ข้างบนเลยนะถ้าเขาก็งงๆอะไรกันเนี่ยอะไรเกิดอะไรขึ้นพอขึ้นไปข้างบนเสร็จ ป, ปุ๊บพี่หัวหน้านี้ก็อมอง ครับเนยไปทําอะไรมาบ้างหรือเปล่าอืมอหมายถึงยังไงอ่ะคะคิดว่าเราทําบุญบ้างก็ดีนะที่เกิดมาสีสิบกว่าปีเพิ่งจะมีวันนี้และที่พี่เห็นครับเมื่เชนนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งแต่งตัวตกรปรงตกรปรงพี่ถึงว่าพี่พยายามที่จะเข้าไปทักเราว่าเป็นญาติเราหรือเปล่าดูไม่มีสัมมาคารวะเลยอืมไม่ไว่ายไม่ทักทายไม่ยิ้มไม่อะไรพี่ก็ไม่ว่าอลไยังมามองหน้าพี่ครับพี่ก็เลยแกล้งทักไปแต่พอเราบอกว่าเรามาคนเดียวพี่เลรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรอืม เนยก็เริ่มแบบเอ้ยมันมใช่เนะครับมันจะจริงหรือเปล่าแต่ก uh ็ก huh. ลัวไงแล้วพี่เขาเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่พูดเล่นด้วย uh huh. แล้วนี่คือที่น้องเขโทรคุยกับผมทำเมสเซนเจอร์อย่างเงี้ยที่โรงพยาบาลเนี้ยคือเรื่องของการที่ติดเขาเปิดอะไรนั่นเองผมอ่ะยิ้มเสียงแล้วน้องเขาเปิดทีวีผมก็บอกแม่ว่านี้นอนอยู่บ้านหยุดสบายนะอยู uh ่ huh. บ้านใช่ไหมเนี่ยเขาบอกทาไมอะพี่ใครเปิดทีวีเปิดทีวีที่วันแล้วหลับอ่ะครับ huh. นี่เนี่ยพ่อยอยู่ทโรงพยาบาล คือโรงพยาบาลนี้มีทีวีอยู่ตรงเตียงสําหรับที่จะแบบพนัก ง, งานพยาบาลเขามานอนอยู่แล้วเขาก็เลยฮ้ยไม่เอาแล้วไม่คุยแล้วเขา ก, กดวางทิ้งผมเลยแล้วเช้ามาเขาก็มาเล่าครัว่าคืนนั้นแหละหลังจากที่วางเนี่ยผมเ่าเพาก็ลุกออกมาเพาลุกออกมาเสร็จปุ๊บมีผู้ชายคนหนึ่งตัวอ้ว น, น, นล<ำ>ๆลํำย่ำใหญ่เลยนะใส่เสื้อยืดดําลายขาวแล้วใส่กางเกงยีนยืนหันหลังยืนหันหน้าเข้ากำแพงอันหลังไห้ให้เขาเขาก็พยายามมอง เพราะว่าตรงโนที่เขาอยู่อมันเป็นโซนพวกแบบพวกออฟฟิศเนี่ด้านในๆอ่ะคือคนนอกเข้าไม่ได้แน่นอนออืเขาก็เฮยมองแล้วก็พยายามที่จะถามพอดีมีพี่ช่างคนนึงเป็นช่างเก็บไปทัางไฟอ่ะเขาก็เดินเดินลงมาจากข้างบนแล้วเขาก็ถามเอาคุณมาหาครับคุณมีธุระอะไรบนนี้ครับเขาเขาไม่พูดครับพอไม่พูดเสร็จพวกหันหลังหันหน้าเข้ากำแพงข้างพลังพวกเขาก็เดินแตกกรไดมาอันหนึ่งมาหาเลยบอกเลย รู้จักเขาปะเนี่ยเหยบอกหนูก็ไม่รู้เห็นเขามายืนอยู่มายืนได้ไงเนี่ยปกติ จ, จะมาจะไปมันต้องมีใครเห็นต้องรู้ต้องข อ, อนญาติก่อนไม่ใช่เหรอครับพี่เขาก็มองเหนยก็พูดมาคำหนึ่งพี่แล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่ใช่คนเน่ะพี่ช่งนะเขาโว้เหว๋อแลนะโอ้โหทรายก็พากันลงข้างล่างครับลงไปถึงมันก็จะผ่านสามระดับก่อนที่จะขึ้นมาถึงเพราะเขาเนี่ยก็จะมีเขาอะไรเวนปงเวนเตอะไรที่เขาอย่างทเขาอธิบายแนละ้วผมก็เดินไปดูถามทุกคนว่าเมื่อกี้นี่มีผู้ชายคนหนึ่งลุ่มล่างห่ๆ เดขึ้นไปข้างบนมากไหมใส่เสื้อยืดอะไรเงี้ยไม่มีนะถ้ามีใครขึ้นมาต้องเห็นดิแล้วการจะขึ้นไปที่ี่นต้องมีใบขออนุญาตต้องเป็นคนจากข้างในอนุญาตมาเท่านั้นเขาก็เลยบอกว่าแล้วเนยเดี๋ยวพี่ถามหลายอย่างรูปร่างคนที่เราเห็นนั้นรูปร่างไงเนยนเขาก็บอกว่าเป็นรูปล่างอย่างนี้ไงพี่พยาบาลเองล่างคนนึงเขาบอกเนยฟังดีๆ น, นะออืเมื่อเคสเมื่อตอนหัวค่เนี่ยเป็นเคสเดทอยู่เคสนึง เป็นผู้ชายขีย่บิ๊กไบค์ไปชนตอมมอสักอย่างเนี่ยแล้วก็มาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลตัวอย่างที่น้องเนยบอกรูปล่างเหมือนที่น้อเนยบอกเปเลยไปเลยเขาเลยบอกว่ามันจะขึ<อ>้นไปถึงขบนเลยนะแล้วหนูก็รู้จักกับเขาแล้วเริ่มใจไม่ดีนะกลับมาถึงก็มานั่งทํานู่นทํานี่ขี่คอมเล่นอะไรสักงไว้ใต้เช้าง่วงเลยงลงกัโต๊ะพอพุ่งลงกับโต๊ะได้ยินเสียงข้างๆเป็นกระจกนะพี่รับเป็นกระจกปี้ๆแค่แค่ เขาก็ตื่นไงคือคนไม่หลับสนิดทตั้งใจว่าจะแค่ยิ้มๆเนี่ยก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆมองไวข้างหน้าไม่มีอะไรเพราะหันมาด้านข้างเขาพวกใจกระตุ่มเลยพี่แจ๊คเพราะว่าผู้ชายคนนั้นมายืนเอาหน้าบี้กับกระจกแล้วก็อ้าปากแบบตาปากกว้างๆแล้วก็เอามือต่อกระจกอะอไอการดีกระจกเนี่ยมันก็เป็นแบนเป็นแบบหมืนตัวดูอยู่แล้วอะครับแล้วก็มองตามองมาที่น้องเนี่ยเขาบอก แต่จะคิดมากเลยนะแล้วก็เกงสุดสุดหันหน้าไม่มองแล้วแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกอะไรตากจะมีคนขึ้นมาเหนื่อยก็คือเป็นเรื่องของน้อนเหนื่ยที่ว่าเขาสมัมผัสได้โอ้โหเหมือนเนเหมือนไปจุดเริ่มต้นจากตรงนู้นตรงโ<ช>รงแรมตอนแรกผมคิดว่าเฮ<ช>้ยเขาตามมาไม่ใช่นี้มาเจอเหมือนกับอีกเคสหนึ่งถูกไหมครับโอแต่ที่น่าแปลกคือตรงโรงแรมที่ที่น้องไปพัก มันมันมั น, ม น, มนเป็นปริศนาคือเฮ้ยมันต้องมีเหตุและผลมันต้องมีที่มาที่ไปดิตรงนั้นอ่ะอย่างที่ว่าพีเ<อ>่เขาบอกเราว่าใครมาก็อยู่ไม่ได้พัต<อ>ถุมงกุฎก็ต้องเยอะแต่อยู่ไม่ได้นี่ไงเมื่อทาจาก B เบลอยส่วนเราพอเขาบอกว่ามีคนมาพักเป็นอาทิตย์อาทิตย์แล้วนี่ไม่ค่อยมีคนมาหรอกมาก็อยู่ได้ไม่ค้นคืนนะคนสะแสดงว่ามันต้องมีอะไรที่มันลึกซึ้งมากไปกว่านั้นแต่พนักงานอาจจะถูกกำชับ ห้ามบอกครับห้ามพูดเด็ดครั บ, รบน่าจะอย่างนันและที่โงแรมอะไรใหญ่โตมีพนักงานเบ็ดเสร็จรวมกันเจ็คนเนี่ยนะผมว่ามันน้อยมากมันมันมันน้อยผิดปกติไปใช่คร<อ>ับแล้วก็บอกว่าถ้าในในสายตาเขาที่เป็นที่เป็นไกด์เนี่ยเขาตีให้เลยว่าระดับสามดาวได้เลยนะความใหญ่โตความ<อ>ความพร้อมอะไรเงี้ยไม่ธรรมดาจะมีคนแค่นั้นแหละมันแปลกมันแปลก นะฮะและที่สคัญคือการเจอเนี่ยเจอกันแบบว่ากระจายเลยนะแทบจากทุกห้องเลยนะแสดงว่าผมเขาอยู่แทบทุกห้องอ่ะเขาบเก้าสิบปอร์เซ็นต์นอาจารย์ที่ไปวันนั้นน่ะหลังจานั่งรถทัวร์กับแต่ละผู้มาโดนกันเกือบหมดแต่จะเป็นโดนอัมบ้างหรือว่าโดนกระตุกปลายเท้าบ้างคือพอมีคนหนึ่งเริ่มพูดแล้วรู้เหตุการณ์ว่าอาจารย์สิบกว่าท่านมาเจอเออเกือบสิบท่านมาเจอบ้านั่งเนี่ยก็เลยพูดต่อเออฉันก็โดนฉันก็โดนโดนอัมโดนนี่โดนดึง โดนกระตุกโดนอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยเจอแล้วเขาบอเก้าสิบปอ ร, นะร์เซ็นตไมะพี่แจ้คที่ไปอ่ะโอ้โหโรงงานนี้ผมว่าต้องไม่ธรรมดาต้องไม่ธรรมดาต้องแบบต้องมีหหเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายแน่นอนใช่ครับหรือไม่ถ้ามันเยอะขนาดเนี้ยก็คงต้องคิดถึงเคสเดียวปูก ทัพที่สร้างทัพที่ป่าช้าเก่าผมคิดไปถึงตรงนู้นเลยนะพี่แจ๊คคิดเหมือนผมเลยนะใช่คือมันเยอะเกินไงมันเยอะเกินกว่าที่จะมีเหตุการณ์อะไรงต่างเกิดขึ้นแต่ถ้าเ<ช>กิดว่าไปปลูกสร้างทัพที่ป่าช้าเก่าเนี่ยอันนี้ผมว่ามีเหตุผลมากที่สุดครับเพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยไอ้การที่ว่ามันจะมีมันจะมีคนเสียชีวิตทุกห้องกระดานห้าสิบห้องมันเป็นไปไม่ได้ใช่ผมคิดว่ามันจะต้องเป็นมาจากพื้นที่ตรงนั้นแหละถูกต้องถูกต้องครับ เออพนักงานรู้ผมว่าพนักงาน่ะรู้ดีคนที่รู้ดีที่สุดผมว่าน่าจะเป็นลุงพปภรู้ดีแน่นอนออน้องเลยบอกว่าถ้าทานแกจะรู้แต่แกไม่พูดอะไรมาก ไ, ไม่พูดแต่แต่เวล า, าแกพูดนะบทเวลาที่แกจะพูดแกก็พูดเหมือนแกไม่ได้แคร์เหมือนกันเพราะว่าแกก็อยู่มานานแล้วอ่ะครับ พอหมดแจะพูดแก็พูดหมดเปลือกเลยว่าอยู่ก็อยู่กันไม่ได้คนนี้อยู่พักเป็นล้านบาทแต่ที่ต่อมาที่แล้วเนี่ยครับและถึงที่มากันก็อยู่กันไม่เคยเกินคืนนะคนหนึ่งนนคือแะพูดหมดเลยทั้งแกพูดเลยแตพูดแบบล่าริ่งนิ่งเหมือนกับคนแบบพูดแบบไม่ยิ่ละาะมันเกิดขึ้นซ้ำๆจนแกแบบไม่รู้จะไหวยังไงแล้วครับครับครัโอ้นะครับโอ้โหปิดท้ายแบบเนี่ยคนเนี้ยคือต้องบอกว่านัมเบอรวันจริงๆฮะ คมีคุณนรอคุณคิงคุณคิงเป็นคนเล่าเรื่องดีเป็นคนเรียบเรียงเรื่องดีจริงๆฮะผมเอาจริงๆนะคือผมยังเรียบเรียงได้ไม่เท่าคุณคิงเลยโอ้โหเวลาตั้งเวลาอะไรมาอย่างเงี้ยคุณคิงโอ้โหดีมากฮะเจ๋งมากๆแล้วก็ขอบคุณมากๆที่อยู่กับเดอะโกสเลดีโอมาตั้งแต่โอ้ช่วงแรกๆเลย นะครับมีเรื่องราวอะไรเาก็มาเล่าสู่กันฟังเอาเหตุการณ์นู้นเหตุการณ์นี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับจนตอนนี้โอ้เมื่อกี้ผมเข้าไปดูเพจรายการห้าหมืนกว่าไลค์แล้วตกใจมากเมื่อกี้ก่อนหน้าในวงสี่หมื่นกว่าอยู่เลยขอบคุณจริงนะฮะเราไปด้วยกันที่จริงที่ว่าให้ผมได้มาเล่าอะก็นับเป็นเกียรติเหมือนกันที่ผมว่า ฟังพี่แจ๊กแหละไม่ใช่ว่าเรามาพูดเอาใจแต่ผมฟังพี่แจ๊กอ่ะตั้งแต่ที่นู่นอ่ะผม <ฮะ S 2> ฟังคือผมจะชอบพี่แจ๊กเป็นคนที่พูดแล้วเห็นภาพเหมือนก <ฮะ S 2> ันผมก็พี่แจ๊กก็เป็นตัวอย่างผมอย่างเช่นการกระโดดรอเรืออะไรเง <ฮะ S 2> ี้ยจะไม่สนใจผมนะแต่ผมยอมรับผมเรียนแบบพี่แจ๊กคือมัน<อ>ชัดแล้วมันฟังแล้วมันปอจริงจริงคือผมโชคดีด้วยแหละคือผมเป็นคนที่ชอบภาษาไทยอไะเวลาพูดอะไร<ฮ>ะอย่างเงี้ยมันก็แบบเอ้ยเอาสนิดนึง คือเรามาทำงานตรงนี้แล้วไงทำให้มันแบบให้มันถูกต้องไปเลยดีกว่าก็ไปศึกษาเรื่องของการพูดการอะไรพวกนี้ครับโ อ, อนะคุณคิงก่อนช่วงท้ายช่วงนี้อ่ะคุณคิงอยากจะอวยพรปีใหม่อะไรกับแฟนคลับแฟนรายการตอนนี้ที่ฟังกันอยู่ไหมคะคุณคิงสักหน่อยนึง ครับก็เริ่มต้นจากพี่แจ๊ก่อนเลยนะครับพี่เห็นที่นน่มาเยอะปีที่แล้วก็จะเหนื่อยจะเครียดอะไรกันช่างนะพี่ใหม่นี้พี่เจอแต่ดีๆเลยใหม่ๆเลยนะครับขอพี่เจอพี่รวยตลอดปีดีตลอดไปนะครับแล้วก็ทีมงานด้วยทุกคนเพื่อนๆที่ฟังอยู่นะครับขอบคุณมากๆที่มาฟัง The Ghost Video แล้วก็มาฟังผมบ้างมาเล่าก็ยังอุตส่าห์ตามฟังกันเนี่ยเห็นมีถามมีพี่แจ๊บอกว่ามีคอมเมนต์ถามตลอดเลยคุณจิ้งมาแล้วคุณจินะครับแล้วก็ายที่คนจะมีสุขภาพแข็งแรงอะไรที่ไม่ดีผ่านมาซีเก่าแล้ว ไม่ต้องติดอานมาปีใหม่เลยรเอาปีใหม่ก็ต้องใหม่อย่างเดียวต้อไใหม่ในเรื่องดีๆ ด, ด้วยครับผมโอ้โหขอบคุณมากมาคุณคิงแล้วก็พร อ, อะไรที่คุณคิงวอวยพรมาขอให้กลับไปหาคุณคิงร้อยเท่าพันเท่าเลยนะครับา ขาทูขาคุณคิงขอบพระคุณมากๆเดี๋ยวคงได้เจอกันใหม่แน่นอนคุณคิงผมเชื่ออย่างนั้นคุณคิงมีมีสตอรี่เยอะอยู่นะครับครับโอเคขอบคุณมากมากได้ครับคุณคิงยังไงขอบคุณมากๆนะครับรักษาสุขภาพนะครับพี่แจ๊คเช่นเดียวกันครับสวัสดีครับ